ปันจะสัตถุกาถาว่าด้วยพระศาสดาห้าจำพวกโมคลานะศาสดาห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือ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 และขิลานะปัจจัยะเพัตบริขารท่านทำกรรมใดไว้ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นโมคลานะพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้โดยศีลและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยศีลจากพวกสาวกสองศาสดาบางท่านในโลกนี้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 แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่ า, าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าธรรมเทศนาของตนบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของตนบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกขฤรหัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารท่านทำกรรมใดไว้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 โมคลลานะพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยเวยาการณะศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยเวยาการณะของพวกสาวก 5. าศาสดาบางท่านในโลกนี้มียาทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิ ญ, ญาว่าเราเป็นผู้มียาทัศนะบริสุทธิ์ ยาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มียาณทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียาณทัศนะบริสุทธิ์ยาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกขเรือหัด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 พวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยยาณทัศนะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยยาณทัศนะจากพวกสาวกโมคลานะศาสดาห้าจำพวกนี้แหละที่ปรากฏอยู่ในโลกโมคลานะเรามีศีลบริสุทธิ์จึงปฏิ ญ, ญาว่า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 ไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราโดยอาชีพและเราก็ไม่หวังการรักษาโดยอาชีพจากพวกสาวกโมคัลานะเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไม่หวังการรักษาโดยธรรมเทศนาของพวกสาวกโมคลานะเรามียาณทัศนะบริสุทธิ์ยาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราไว้โดยยาณทัศนะและเราก็ไม่หวังการรักษาโดยยาณทัศนะ จากพวกสาวก